ทรงห้ามคนเป็นโรคติดต่อบรรพชาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้ถูกโรคห้าชนิดเบียดเบียนไม่พึงให้บรรพชารูปใดให้บรรพชาต้องอาบัตทุกกฎ